คือลักษณะนี้นะถ้าเราพิจารณาก็คือเพื่อบำบับดความหนาวบำบับดความร้อนสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมว่าประโยชน์ของผ้าคืออย่างนั้นแล้วก็ปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายทีนี้เมื่อเป็นคารวาสเนี่ยผ้านี้เหมาะกับ ง, งานอะไรแล้วก็คือเพื่อที่จะได้สังเกตสภาพจิต ด, ด้วยเออเพื่อจะไปโชว์หรือเปล่าคงไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าให้เข้ากับกาละเทศะเข้ากับการสถานที่ ถ้าหากว่าไปแต่งชุดอีกชุดหนึ่งในงานนี้มันก็ไม่เหมาะสมเป็นต้นแต่ว่าการแต่งแบบนั้นไม่ได้คิดเป็นอื่นเนี่ยนะเพื่อที่จะไปอวดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่แต่เพราะว่ากาลเทศะสมัยนิยมเขาให้แต่งกันแบบนี้แต่เราก็คํานึงถึงประโยชน์เนี่ยนะถึงถึงประโยชน์อย่างที่ว่าไปแล้วถ้าการคํานึงถึงประโยชน์แบบนี้เขาเรียกว่ามีการพิจารณาอันนี้เป็นกุศลศีลก็คือเอาเพื่อความเหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะ เอาเอาเรียกว่าพิจารณาเึงความเหมาะสมในของสิ่งสิ่งเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งใช้แล้วกิเลสเกิดอีกคนหนึ่งใช้แล้วไม่กิเลสไม่เกิดนะนางวิสาขาเนี่ยถ้าเข้างานสังคมเนี่ยนะแต่งเครื่องประดับราคาเท่าไหรนะน่นะกวโกฏเนี่ยนะกโกรมหารดาปราสาทถ้าเข้างานสังคมนะเพชรเกือบทั้งเรือนร่างเลย เขาบอกว่าคนทําไม่มีกระแรงไม่มีกําลังจริงๆใช้เครื่องประดับอันนั้นก็เหนื่อยตา น, ะนาแล้วทีนี้ถ้าเป็นงานธรรมดาทั่วไปแล้วนะป <c oughs> กติอยู่บ้านธรรมดาใช้เครื่องประดับราคาแสนหนึ่งนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถามว่านี่คืออริยะสาวกนะแต่ท่านจะรู้ความเหมาะสมว่าเวลาไหนควรแต่งแบบไหนแบบไหนแบบไหนเข้างานไหนควรพิจารณายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะ คือแต่งตัวนี่นะมันสังคมมันก็ต้องแต่งอยู่แล้วพระยังแต่งเลยถ้าไม่แต่งตับอบัตนะไอแต่ว่าแต่งนี่ไม่ได้แต่งอย่างอื่นนะก็คือเพียงเพื่อบำบัดความหนาวบอกว่าพึงทําศึกษาว่าเราจักนุ่งเป็นปริมณฑลเพึงทําศึกษาว่าเราจากกัจากห่มเป็นปริมณฑลพึงทําศึกษาว่าเราจักปกปิดกายด้วยดีไปในแวกบ้านอนะไรเงี้ยมีหมดนะห้ามเวิร์กผ้าห้ามอะไรนี่จะมีวินัยไว้หมดเลยไม่ใช่ไม่ให้แต่งเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหยนุ่งลมห่ม อ, อากาศนี่ก็เลยเถิดอีกนั่นนะ พันไอการนุ่งห่มเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เป็นระเบียบเป็นมารยาทของสังคมด้วยมีศีลอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งการห่มด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องจีวรแล้วในขณะที่นุ่งห่มเนี่ยนะถ้าพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะจะต่ออาชีวะปาริสุทธิศีลก็ไม่ยากว่าผ้าแต่ละผืนเหล่านี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรเห็นไหมได้มาโดยอย่างไรเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าเกิดการใคร้ครวญแบบนี้บ่อยๆอาชีวปาริสุทธิศีลเราจะดีขึ้น อย่าลืมว่าศีลบางอย่างเกิดจากการสมท า, านศีลเนี่ยเกิดจากการสมท า, านนะเกิดจากการงดเว้นถ้าบางคนก็ไม่พารบอ่ไม่จําเป็นเนี่เพราะฉันได้มาถูกต้องและก็เลยไม่ต้องไปอะไรมากมายดูเหมือนมีศีล น, นะถ้าศีลแบบเรียกว่าปกติทั่วไปได้แต่ว่ากุศลเจตนาไม่ได้ดังนั้นการไข้ครวญบ่อยๆเนี่ยนะทำให้กุศลเจตนาเกิดขึ้น อย่าลืมว่าคนบางคนนั้นที่ไม่ผิดศีลเพราะปัจจัยไม่มีไม่มีให้ผิดศีลไม่ใช่ว่ามีศีลดยอัธยาศัยแต่ว่าปัจจัยให้ผิดศีลไม่มีต่างจากคนที่มีความเข้าใจในเรื่องศีลเนีย่ยนะถ้าหากว่าเกิดความเข้าใจในเรื่องศีลก็จะทำให้เกิดการสมาทานใช่หเกิดการปราลบ่อยๆแล้วจะมองเห็นว่าศีล น, นี้เป็นเป็นซับเนี่ยนะเมื่อเห็นเป็นซั์จกขยันพิจารณาเลยแล้วศีลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะ พระ อ, องค์บอกเลยว่าศีลจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเหมือนกับผ้าที่สกปรกต้องใช้พวกน้ําด่างเป็นต้นในการซักกันนะถ้าคนที่ไม่เข้าใจศีลก็ไ ม, ไม่ไม่บริบูรณ์อยู่แล้วคนที่เข้าใจศีลก็จะบริบูรณ์เพราะทุกคนก็นุ่งเหมือนกันห่มเหมือนกันแต่ทําไมอีกคนหนึ่งห่มแล้วเป็นศีลนะอีกคนหนึ่งห่มแล้วไม่เป็นศีลหรือถ้าพูดอีกตามเถรัคถาก็บอกทำไมเห็นคน หัวเราะเห็นฟันและเป็นพธาตุหันไอเราก็เห็นอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ก็เป็นเท่าเดิมนะหรืออีกคนหนึ่งเห็นคนรําเนี่ยนะเป็นธาตุหันไอเราก็เห็นเหมือนกันแต่ก็เท่าเดิมมีความแตกต่างกันยังไงเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาถ้าใครปรารถหาปัจจัยให้สัมมาทิฏฐิเกิดได้บ่อยเขาก็จะสามารถเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ได้มาก ถ้าสมาทิฏฐิความเข้าใจอ่อนการเจริญกุศลธรรมก็จะอ่อนไปตามนั้นถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิดนะสัมมาทิฏฐิไม่ดีศีลเหล่านี้ไม่ดีอริยมรรคเนี่ยถูกไม่มีอุปนิสัยให้เกิดไม่ใช่ว่าบุญเก่าในอดีตที่เป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลไม่มีแต่ว่ากุศลจิตที่จะรองรับมรรคผลในชาตินี้เขาไม่มีเนี่ยนะบางคนนี่อุปนิสัยแห่งมรรคผลที่ทําในอดีตนี่มีแล้วนะ แต่ว่ามาทิ่ถีวิบัติประโยคาวิบัติมรคผลที่จะเกิดเลยไม่เกิดเลยเหมือนก็บอกว่าบางคนนี่ก็ทำเหตุปัจจัยมาสา ม, มารถถ้าเขาหมั่นเพียรเนี่ยร่ำรวยได้แต่ก็ไม่หมั่นเพียรอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความยากจนไปเลยต่อไปนะขึ้นบินทบาทเลยคำว่าบินทบาทได้แก่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งนหะมายถึงภิกษา หรืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าบินทบาทเพราะความที่ตกไปในบาทโดยการเที่ยวไปเพื่อบินดะคำว่าบินดะก็คือก้อนข้าวแห่งที่สวนนะก้อนอะไรก็ได้ที่มันตกลงมาในบาทอะ่ะอันนั่นแหละเขาเรียกว่าบินดะบินทบาทคือของที่มันตกลงมาในบาทอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งการตกไปแห่งบินดะคือก้อนข้าวทั้งหลายชื่อว่าบินทบาท อธิบายว่าได้แก่ประชุมคือกลุ่มก้อนแห่งพิกษาที่ได้แล้วณที่นั้นๆนไมไม่ได้ข้าวอย่างเดียวรรอกหมายถึงอาหารที่ที่เขาใส่มาในบาทนะที่ประโยชน์แก่การดำรงชีพทั้งหมดเหล่านั้นนะเรียกว่าบินทบาทเพราะตกลงมาในบาทนะอาหารที่ตกลงมาในบาทเลยเรียกว่าบินทบาททีนี้เขาบอกว่าเราพิจารณาโดยแยกคายแลว้วจึงบริโภค คําว่าเสพในตรงนี้นี่แปลว่าบริโภคนะหรือรับประทานนั่นเองแต่ว่าบาลีเขาใช้คําว่าปฏิใช้คําว่าปฏิเสวามิเนี่ยนะเสพเฉพาะเนี่ยคำว่าเสพเฉพาะนี่เขาก็เลยแปลทับศัพท์ว่าเสพปฏิเสวะเนี่ยนะเอาวแวนเป็นพอพานก็เลยเรียกว่าเสพคําว่าเสพในที่นี้แปลว่ารับประทานนั่นเองนะว่าเราพิจารณาโดยเย็บคายแล้วจึงรับประทานอาหาร ทั้งหลายหรืออาหารบิณฑบาตเหล่านี้เนี่ยนะว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่อเล่นนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อมัวเมาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อเล่น น, น, นะนะเรียกว่าที่บริโภคทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพื่อไปบำรุงบำเรอโลภโทสะโมหะนะนะซึ่งจะที่บายต่อไปเจริญพร ปฏิเสวามีเนี่ยนะใช้สอยหรือบริโภคหรือรับประทานก็ได้คือเรียกว่าเป็นศัพท์ที่ไปใช้กับสิ่งนั้นๆไปถ้าจีวรก็เรียกว่านุ่งห่มใช่ไหมถ้าบินทบาทก็เรียกรับประทานที่อยู่อาศัยเรียกว่าการเข้าอยู่อยู่ยา ก, ก็ยาบางอย่างก็ยาฉันบางทีก็ยาทานยาทานะคาว่าไม่ใช่บริโภคหรือไม่ใช่รับประทานเพื่อเล่นคือไม่ใช่เสพหรือไม่ใช่รับประทานเพื่อเล่น เหมือนอย่างชนทั้งหลายมีเด็กชาวบ้านเป็นต้นเล่นกันอธิบายว่าไม่ใช่เสพเพราะมุ่งจะเล่นเออกินให้อินนะ่มน่ะจะได้ไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานไปเล่นซ่อนหาเล่นตีไม้หึงเล่นหกเขมนเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่รับประทานแบบนั้น น, น, นะนะคือไม่ใช่รับประทานแบบเด็กอะ่ะเด็กเนี่ยรับประทานกินเสร็จจะได้ไปเที่ยวไปเล่นนะอันนี้พระพิกษุไม่ใช่ฉันแบบนั้นไม่ใช่ฉันไปแล้วไปทํากิจแบบเด็กๆอยนะ ไม่ใช่ให้มีแรงแล้วก็จะได้ไปเล่นแบบเด็กๆสนุกเลยนะวิ่งในทั้งวันไม่ใช่คําว่าไม่ใช่เสพเพื่อมัวเมาคือไม่ใช่เสพเพื่อมัวเมาอย่างชนทั้งหลายมีนักมวยเป็นต้นเล่นกันอธิบายว่าไม่ใช่เสพเพราะมุ่งความมัวเมาในกําลังและเพราะมุ่งความมัวเมาว่าเป็นชายเป็นต้นนี่ยนะไม่ได้ประสงค์ไม่ยว่ากินเพื่อบํารุงบําเรอให้มีกล้ามใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นจะได้ไปต่อยเก่งขึ้นอะไรขึ้น เรียว่าไม่ได้รับประทานไปเออไปบำรุงบำเรกอกิเลสตัณหาเนี่ยนะคาว่าไม่ใช่บริโภคเพื่อตกแต่งก็คือไม่ใช่เสพเพื่อตกแต่งเหมือนอย่างชนทั้งหลายมีหญิงชาววังและหญิงแพทย์สยาเป็นต้นเสพการอธิบายว่าไม่ใช่เสพเพราะมุ่งความเ อ, อิบอิ่มแห่งอวัยะวะน้อยใหญ่ทั้งหลายถ้ารับประทานไปขนาดนี้จะ ไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีะนะไม่ได้ปารบในลักษณะนั้นนะคนก็ยอมเป็นโรคกับเพาะเลยใช่ไหมเพื่อรักษาคาว่าไม่ใช่เสพเพื่อประดับคือไม่ใช่เสพเพื่อประดับเหมือนอย่างชนทั้งหลายมีพวกนักฟอนนักระบำเป็นต้นเสพกันอธิบายว่าไม่ใช่เสพเพราะมุ่งความมีผิวพันธ์ผ่องใส น, นะไม่ได้ว่าโอ้ยผ่องใสเหลือเกินอย่างเงี้ย น, นะเออ น, นะมีนะเขาบอกว่าผู้ที่จะ จัดให้ตัวเองเป็นที่น่าเลื่อมใสเนี่ยนะเขาจะมีแม้กระทั่งอาหารเนี่ยนะจะต้องรับประทานอาหารแบบไหนที่คนดูแล้วต้องเตะตาเลยเนี่ยนะเขามีนะจีวรเนี่ยจะต้องใช้จีวรแบบไหนที่เห็นคนแล้วคนแล้วเลื่อมใสอาหารต้องรับประทานแบบไหนจีวรแบบไหนต้องอยู่ในบรรยากาศในลักษณะใดที่คนเห็นแล้วเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสอันนี้เขามีนะ นหนในบททั้งหลายเหล่านี้เพิ่งทราบว่าบทว่าไม่ใช่เสพเพื่อเล่นนี้ตรัสไว้เพื่อละความเป็นอุปนิสัยแห่งโมหะนะถ้ากินแบบไปเล่นแบบเด็กๆเกนี่ยนะถ้ากินแบบนั้นเนี่ยกินเพื่อไปเจริญโมหะอธิบายว่าการเล่นย่อมมีได้เพราะโมหะและย่อมทําให้โมหะเจริญงอกงามฉะนั้นความไม่เป็นอุปนิสัยแห่งโมหะย่อมมีได้ก็เพราะเวน้นการเล่นนั้นเสียไม่ได้รับประทานอาหารไปเพื่อที่จะไปเล่นแบบเด็กๆนะ ถ้าหาว่ารับประทานไปเพื่อไปเล่นแบบนี้เป็นลักษณะของส่งเสริมโมหะบทว่าไม่ใช่เสพเพื่อมัวเมานี้ตรัดไว้เพื่อละความเป็นอุปนิสัยแห่งโทสะใช่ไหมเช่นมัวเมาในความเป็นชายเนี่ยจะได้ไปต่อยคนเนี่ยต่อยทีเดียวสลบเลยอะไรแบบนี้นะเพื่อไปส่งเสริมโทสะก็ไม่ใช่สองบทว่าไม่ใช่เสพเพื่อตกแต่งกับไม่ใช่เสพเพื่อประดับเนี่ยนะสองคำเนี่ย ตรัสไว้เพื่อละความเป็นอุปนิสัยแห่งราคะนะเขาบอกว่าถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปตัวเองก็เป็นการตกแต่งประดับประดาร่างกายอาวัยวะส่วนไหนควรอ้วนส่วนไหนควนรผอมเป็นต้นก็รักษาอันนี้เอาไว้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นอุปนิสัยแห่งราคะอันหนึ่งสองบทว่าไม่ใช่เสพเพื่อเล่นไม่ใช่เสพเพื่อมัวเมานี้ตรัดไว้เพื่อการห้ามสังโยชน์เกิดขึ้นแก่ตน กิเลสของตัวเองก็เกิดใช่ไหมถ้าหากว่าโลภะโทสะนี่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็กิเลสของตัวก็เกิดขึ้นถ้าสองบทว่าไม่ไม่ใช่เสพเพื่อตกแต่งไม่ใช่เสพเพื่อประดับนี้ตรัสไว้เพื่อห้ามสังโยชตเกิดขึ้นแม้แก่ผู้อื่นใช่ไหมคล้ายกับว่าถ้ารับประทานเพื่อประดับตกแต่งเสรและกิเลสคนอื่นก็จะเกิดขึ้นถามว่าอาการที่ตกแต่งร่างกายทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหม เพื่อให้ใจคนอื่นเขาคิดใช่ไหมหรือว่าเพื่ออย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อเล่นกับเพื่อมัวเมาเนี่ยอันนี้สังโยชน์ของตัวเองก็จะเกิดขึ้นอาศัยกายนี้ถ้าหากว่าเพื่อประดับเพื่อตกแต่งก็จะได้ผูกให้สังโยชน์ของคนอื่นเกิดขึ้นอันหึด้วยบททั้งสก็ตรัสถึงการละอโยนิโสปฏิบัตินะเขบอกว่าถ้าทั้งเพื่อเล่นเพื่อเพลิดเพลินเพื่อสนุกสนาน เพื่อประดับตกแต่งเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เาเรียกว่าอโยนิโสปฏิบัติเป็นปฏิบัติไม่ถูกอุบายเป็นการปฏิบัติไม่ถูกทางเพราะถ้าหากว่ารับประทานเพื่อเล่นเพื่อเพลิดเพลินเพื่อประดับตกแต่งรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้ไหมก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงไม่ได้จึงไม่ใช่ศีลและถ้าหากว่ารับประทานแบบนั้นก็จะเป็นการมัศุ ข, ขลิกาโนโยกไปเป็นการปฏิบัติเอียงแล้วนะ พระเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติข้อปฏิบัติที่เป็นมัชชิมาปฏิปทานะนะเพราะฉะนั้นในขณะใดที่เรารับประทานเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งขณะนั้นก็ส่งเสริมกา ม, มาสุขะลิกานุโยคแล้วเพรานะฉะนันชื่อว่าเป็นการปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาดแล้วนะเพราะนอกจากมัชชิมาปฏิปทาคําว่ายาวะเทวะมีความหมาย ตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละนะยาวะเทวะแปละวะ่าเพียงเพื่อคือเข้าจะขยายตามลําดับแบบบาลีนะไม่ได้ขยายตามลําดับแบบไทยๆเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าคนไทยแปลบาลีเขาบอกว่าคําบาลีเนี่ยกลับไปกลับมาถ้าคนบาลีมาอ่านไทยก็บอกคนไทยพูดกลับไปกลับมาก็ไม่รู้ว่าใครถูกกันแนะ น, น่นะเนี่ยนะนะอ๋ออันนี้เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ ตั้งแต่นนนนตตคำ ว, ว่าอันหนึ่งในหน้า111มาในหน้า111นับขึ้นสองบรรทัดนับขึ้นสองบรรทัดจะมีคำว่าอันหนึ่งใช่ไมอันหนึ่งตรงนั้นเนี่ยพื่อที่เพื่อที่จะสงเคราะห์สี่บทว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่อเล่นไม่ใช่เป็นไปเพื่อมัวเมาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งเนี่ยสี่บทนี้จะสงเคราะห์ให้ดูโดยในต่างๆว่าสี่บทนีมีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ชุดที่1คือชุดที่หนึ่งเนี่ยนะตรัสเพื่อไม่ให้เป็นอุปนิสัยแห่งกิเลสคือโลภะโทสะและราคะทีนี้นับลงในหน้าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีคำว่าอันหนึ่งอันหนึ่งนี่ก็เรียกว่ากล่าวถึงการแสดงแบบนี้ในยะที่สองคือเพื่อห้ามสังโยชน์สังโยชน์ของตนและสังโยชน์ของผู้อื่นอันนี้ชุดที่สองประโยชน์ของการตรัสแบบนี้ แล้วก็ชุดที่สามนับลงมาอีกห้าบรรทัดจะมีคำว่าอันหนึ่งนะถึงละอโยนิโสปฏิบัติและกามสุขันลิกานุโยกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดรับประทานเพื่อมัวเมากับเพื่ อ, อเพลิดเพลินมัวเมาเนี่ยนะถ้ารับประทานแบบนั้นเป็นอโยนิโสปฏิบัติถ้าหากว่าผู้ใดรับประทานเพื่อ ประดับเพื่อตกแต่งอันนี้ก็เป็นการมาสุขาลิกาโนโยกอันนี้เป็นการสงเคราะห์ทำให้เรามองเห็นประโยชน์ในแง่ ม, มุมต่างๆเนี่ยนะว่าถ้าตรัสแบบนี้แล้วประโยชน์ในลักษณะไหนมีบ้างเอานะถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารเพื่อเล่นแสดงว่าเราส่งเสริมกิเลสโมห์คือประเภทโมหะถ้าเรารับประทานเพื่อมัวเมาแสดงว่าส่งเสริมกิเลสประเภทโสดะ ถ้าเรารับประทานเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแสดงว่าส่งเสริมกิเลสประเภทราคะอ่นะราคะหรือโลภะเนี่ยนะมัวเมาแห่งกําลังไงว่าฉันเป็นชายนะฉันสามารถที่จะตบคนอื่นทีเดียวเนี่ยล้มกลิ้งเลยอย่างเงี้ยแบบนักมวยปล้ำใช่ไหมหมัดทีเดียวเลยโอ้โหนับสิบเลยถ้าเรียกอันนี้นเรียก ว, ว่าส่งเสริมเพื่อความมัวเมาพลังกําลังแห่งความเป็นชายเป็นต้นเนี่ยนะแบบเด็กๆไง รับประทานแล้วไปเล่นแบบเด็กๆอ่ะอันนี้ก็ oh จะส่งเสริมโมหะเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่อเล่นไม่มมใช่เป็นไปเพื่อมัวเมาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อเล่นก็แสดงว่าตัดอุปนิสัยแห่งโมหะซะก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อเล่นก็เท่ากับว่าตรัสเพื่อให้ละกิเลสธรรมะแบบนี้เป็นอุปนิสัยแห่งโมหะถ้าบอกว่าพระองค์มาไหว ไม่ที่รับประทานเนี่ยไม่ใช่เพื่อมัวเมาะนะก็เท่ากับตัดอุปนิสัยแห่งโทสะถ้าหากว่าบอกว่ารับประทานไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งก็ตัดอุปนิสัยแห่งราคะอันนี้ชุดที่หนึ่งเนี่ยนะประโยชน์ของการตรัดสี่บทชุดที่หนึ่งชุดที่สองบอกว่าถ้าหากว่าผู้ที่รับประทานเพื่อจะเล่นเพื่อมัวเมาเนี่ยแสดงว่าส่งเสริมบาปอากุศลภายในใจของตัว ถ้าหากว่าเรารับประทานเพื่อประดับเพื่อตกแต่งก็แสดงว่าให้คนอื่นมองงงวยในตัวเราส่งเสริมกิเลสตัวเองก่อนอนะสองบทแรกส่งเสริมกิเลสตัวเองสองบทที่2คือประดับตกแต่งก็คือส่งเสริมกิเลสคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ตรัสแบบนี้ก็เพื่ อ, อาละ ก, กิเลสภายในตัวเองซะแล้วก็คนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในลักษณะส่งเสริมสังโยชนะสังโยสังโยชนี้แปลว่าเครื่องผูก เครื่องผูกภายในที่ผูกตัวเองเอาไว้ก็คือรับประทานแบบเล่นกับมัวเมาถ้าหากว่ารับประทานเพื่อประดับตกแต่งก็คิดจะให้เขาเนี่ยมาผูกเราไว้เนี่ยนะให้กิเลส ข, ของเขาเกิดขึ้นโดยที่มีเราเป็นอารามณปจัจจัยทีนี้ต่อไปนะเขบอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดรับประทานเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาแสดงว่าการรับประทานแบบนั้นเป็นปฏิบัติแบบอโยนิโส ổ, คือไม่แยบขาย เป็นการรับประทานแบบรับประทานด้วยอำนาจกิเลสอ่ะนะถ้ารับประทานแบบนี้เป็นอโยนิโสปฏิบัตินะแต่ถ้ารับประทานเพื่อประดับเพื่อตกแต่งนี้แสดงว่าส่งเสริมการมัสุ ข, ขัาลิการุโยคซึ่งวันนับว่าเป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารับประทานไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่พัวมัวเมาถ้ามีเข้าใจแบบนี้ก็ไม่ได้ส่งเสริมอโยนิโสนะแสดงว่าส่งเสริมโยนิโสมนัติการ ถ้าหากบอกว่ารับประทานไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งก็ไม่ได้เป็นการส่งเสริมการ ม, มัสุคาลิกานุโยกนะพุทธพจน์นี้ก็มีความสําคัญในลักษณะเนี่ยนะอัตถกถาท่านก็เลยเรียบเรียงมาให้เห็นโดยในยะต่างๆของของการไม่รับประทานแบบนี้ <Yes. S 1> คือพระเนี่ยนะมีวินัยเกี่ยวกับเรื่องหลักการบริโภคแล้วนะ <Yes. S 1> เช่นว่า พึงทำศึกษาว่าเราจับจ้องดูอยู่ในบาทชั้นบินทบาทพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ทําคําเข้าให้ใหญ่นักพึงทำศึกษาว่าเราจักทำข้าวคำข้าให้กลมกล่อมจะมีวินัยบัญญัติพวกนั้นไว้แล้วถ้าแสดงอย่างนั้นก็จะไปเข้ากับวินัยเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ศีละคนละประเภทกันนะเพราะฉะนั้นผู้นี้เป็นประเภท ป, ภทปัจญาสารนิสิตาสินไม่ได้กินไปเพื่อเล่นอ่ะไม่ได้กินไปเล่นอ่ะนะเพราะว่าตอนท้ายจะบอกว่ากินเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ซึ่งจะได้กล่าววันต่อๆไปคือเล่นของเรากับเล่นของท่านคนละอย่างนะกินแบบเขาเรียกว่ากินไปเรื่อยในเขาเรียกว่าถ้ากินแบบนั้นเนี่ยดูไม่ดีไม่ดีไปขัดกับศีลข้ออื่นๆซึ่งอยู่ในปาติโมกอยู่แล้วภานี้อยู่ในประเภทปัจญาสารนิสิตศีลไม่ใช่ปาติโมกถ้าปาติโมกเนี่ยนะเรื่องระเบียบมารยาทอย่างอื่นๆเนี่ยเรียบร้อยหมดละรับประทานแบบสำรวมแหละโยมเห็นและศรัทธาเลยแหละอันนี้นะเสร็จแล้ว ต้องตั้งจิตไว้อย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าตั้งจิตไว้แบบเนี้ยผิดนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปพิจารณาโดยแยบคายว่าจะต้องไม่ฉันแบบนี้นะคือไม่ใช่ฉันเพื่อที่จะไปให้ไปเล่นอะ่ะฉันให้อิ่มเสร็จจะได้ไปเล่นตีลังกาเล่นไม้เหิงจะได้ไปไว่ายน้ําสนุกๆอันนี้ไม่ได้กินไปเล่นแบบนั้นหรือไม่ได้กินไปเพื่อที่จะม ม, ม, มีเรี่ยวมีแรงกล้ามใหญ่เนี่ยนะใครเห็นจะได้กลัวอย่างเงี้ยวางอํานาจมาแบ่งได้หรือไม่ได้ฉันให้ เพื่อไปประดับตกแต่งเห็นคนเห็นแล้วโอ้โหทำไมพาะรูปนี้หล่อจังว่างั้นคล้ายแบบนี้นะไม่ได้ไปส่งเสริมแบบนั้น